ลมันพูดไม่ออกจะบอกมันก็บอกไม่ได้ยืมเงินเขามาหลายพันดอกเบียยทั้งนานไอ้พูดหนักใจแพ้หมดแพ้โปหมดชาิหน้าอนาดเสียนี้ก็ะไรไอ้พูดละมันพูดไม่ออกไอ้พูดละมัน b m a m n ลมันูไม่อ้บุูดล้มันบูดไม่อ อ, ไ, อ, ม ไ, ม อ, อไม่รู้จะบองเมีาวายว่ายังไงไูดก็เลยกลับบ้านจะขึ้นตานสังาขารก็ไม่ไหวพอดีหลวงห้องชวนวา่าไปเป็นนายนาที่ดินสบายเป็นนายนามาตั้งหลายปีจนบัด มันพูดไม่ออกเดือนนี้คาดอกยังไม่มีชา ย, ายบอกแบบแล้วเลยมู้ด้องขาข้องประดังกับมันโล่งเล็กคีด ท, ที่คาดดูเลี้ยงกูเลยมันกางล่างหวัดบอย บูไม่ออไอ้บูดละมันบูดไม่ออกไม่รู้จะบอกเมียว่ายังไงไอ้บูดก็เลยกลับบ้านจะขึ้นต า, าสั้งทานก็ไม่ไหวพอดีหลวงห้องชวนว่าไปเป็นนายนาที่ดินสบายเป็นนายนามาตั้งลาย มันพูดไม่ออกหันูดลามัน